ผู้เป็นไงจิตทีงจะไม่ตั้งมันม่นอย่างจิตในเด็ไม่เข้าถึงที่ที่ตั้งมัน่นเลยหนึ่งเลยถ้ามีโมแทรกนิดไม่ใช่ตรงนี้เป็นผลนเป็นวิบักิคือกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเกิดมโนกรรม มีฝนแต่ผลเนี่ยร่างไม่ได้ดูไปต้องชดใช้เนื่งสัตวะใดๆเกิดขึ้นสัตว์ก็รู้สัพว์ไเห็นได้ไม่มีปัญหาอะไรเออต้องไม่อยากหายนะอยากหายจะไม่หนยเยเพราะโลตั้งเกิดก่อนที่จะเกจอไม่สติจะไม่เกิดนักปฏิบัติเจะพลาดมากๆถึงสามตัวนึง จะมีการหาอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากรู้อยากมีเงินก็เกิดความอยากก็เกิดการจะทำกรรมทนใจสังเกตให้ดีการจะทํากรรมทางใจไม่มีอะไรเลยหลักฐารลอยขับเีทการบรรทับกายรรทับใจเรียกว่าอัตตาเป็นมาตรฐานโลกบรรทัพคนเป็นฟุกตัวหนึ่งก็คือตัวมนะณ บทเรียนฉลาดรู้แล้วดูแล้วเรียนใหม่ๆห ม, ม่ไม่ได้ไม่ได้ให้เด็กๆเด็กๆมีการเรียนสมรรคานี่ก็เรียนอะไรเด็กๆเลยเป็เด็กที่จิตใจของเด็กจิตใจของนักปฏิบัติมันไม่เหมืนนักปฏิบัติส่วนมากคือดัดแปลงจิตใจจนผิดธรรมดานั้นส่วนจิตใจของเด็กๆเกงมันซื่อใสมีอะไรมนะาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิด คาดหวังคาดเลยใต่รู้ทุกอย่างอที่มันเป็นพยยามจะเรียนรู้จิตใจอย่างเป็นๆเป็นง่อยจิตใจอย่างผู้ใหญ่เรียนยากนะถาล้มช้วยเดยนากเป็นเลยไก็รู้อะไรก็รู้รู้ไจริงรู้จริงก็ค่อทุก่างปตัวมันนะตัดสตัวหรือว่าเสรจหรือว่าฉลาดหรือว่ารู้แล้ว ข้าเรียนมานะแน่ว่าฉันโง่ที่สุดเลยข้าไม่ใช้เขาําไม่ได้แล้คิดอย่างน right? ี uh 100! 100! ้ก네็ไม่ทํามอนกันโอเคไหมตัวเรียตัวทิธีที่แก้ความคิดเจ้ความเหงาศึกษาเร็บเพืบไปเลยก็ไป็เด็กใจใสๆซื่อเวลาเรียนรู้เด็กมันเรียนรู้เพื่อต้อง่านจะรู้ของเราเรียนรู้เพื่อต้องการจะเอา เราโน้นจะเอาดิจะเอากระชับมาสุดน <ừ S 2> <ừ, S 1> <ừ> ิานเแบขเราได้ถ้ันเราได้ตามใจชอบนะ็เป็นตางใช่หเรื่องสาราเกิดขึ้นสักว่ารู้สักหนคิดงอรีแรงปาจ์ีออะุมหนังารหมมุมนังงไยเ่นีิบบอกาไปมา แต่ตอนนี้มันนิ่งเกิดใจดูออกเลยจะให้สิ่งด่สุดมันนิ่งแบบนี้ก็เหมนว่าเราแบจับอะไรไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ก็อย่างใจเปลี่ยนใจตลอดเวลาฉะนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเนความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ของเที่ยงน้าที่เรารู้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยรู้จะนี้ เปัญญาเป็นแจ้ไม่ใช่ตัวหลัมีวางวางอยกระบวนการที่จิตวางเกิดในยามัคไม่ใช่ขาดสตินะในขณะที่จิตเกิดในยามัคเนี่มีความรู้สึกตัวมีจิตไม่ใช่ในจิตในคนที่ว่าเวลาเกิดมากเรื่องวูบลงไปลืมเลือนลืมตัวหมดความรู้สึกเรียกว่าบรรลุมรรคผลมักผลไม่ได้เป็นในขณะที่เกิดในยามัคมีจิต ชื่อว่ามัคจิตมัคคิจเนี่ยประกอบด้ยวยเจตสิกอย่างน้อยสามดกว่าตัวสามจุดสี่สามจห้าสามจุามจเจ็ดสาแปดอะไรต่อประมาณแล้วแต่ขนาดของฌานที่ประกอบขึ้นเวลาเกิดโผลได้รรจิตก็มีจิตไม่ใช่ดับความรู้สึกหลายคนไปนเอาสภาวะที่ดับความรู้สึกมาเป็นมัคผลปล์ได้ใช่ใจผิดผิดทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติ ขาสติหมดความรู้สึกเหมือนคนที่โดนยาสลบมันจะบรรลุอะไรค่อยๆฝึกนะให้ดูสภาวะไปเชิญปัญญามแจ้งมันเห็นเลยสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้ น, ใ, นใจรู้ความจริงเบื้องต้ น, ใ, นใจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราสิ่งที่เห็นว่าเป็นเรามากที่สุดคือจิตตามทังร่างกายนีย่ดูง่ายว่าไม่ใช่เรา พระพุทเจ้าเคยสอนบอกลูกศรพิษสูตรทั้งหลายผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราคนศาสนาอื่นก็เห็นนะแต่ผูุ้ชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสตร์ใดที่จิตยังเป็นเราอยู่จักรยานที่จิตไม่ขาดขาดไม่จริงนี่ทําไงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระเจ้าบอกว่าที่เราเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยเพราะจิตมันเกิดดับรวดเร็วมาก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 มีแต่ในธรรมวินัยในคำสอนของท่านเท่านั้นที่จะสอนจนสามารถเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราสติญาติจิตที่จะขาดสติญาติจิตจะขาดได้ต้องเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรานาพังเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยสติญาติจิตไ่ขาหลายคนปฏิบัติเพ่งแต่กายนะเพ่งกายลูกเดียวเลยเพ่ ง, เ พ, งเพ่งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจเร่ยนจูงลมไปเพ่งเท้า ดูท้องก็เพ่งท้องขยับมือเพ่งมือรู้อริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยเพ่งเพงเพ่งไปลืมจิตลืมใจตัวเองไม่ได้แยกรูปแยกนามถ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวนะไม่สามารถเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้นึกว่าไม่ได้แยกรูปแยกนามลืมจิตไปการเพ่งรูปบางคนเพ่งมากนะจะขยับนิ้วจะขยับมือจะไปหยิบอะไรเนะ่ย นิ้วแต่ละนิ้วไหวคลิกๆๆม่รู้หมดเลยนะใ่ขาดนั้นลืมนามหมดเลยจิตเนี่ยเข้าไปแนบอยู่ที่มือเมื่อจิตเข้าไปแนบอยู่ที่มือเนี่ยเรียกว่าอารมณนุปณิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์มือเป็นตัวอารมณ์นะการเพ่งใส่ตัวอารมณ์ปั๊บนนั่นคือการทำสมถะคือการเพ่งรูปการเพ่งรูปเนี่ยเมื่อทำได้ประณีตถึงขีดสุดจะ เ, เข้าไปสู่ฌานที่สี่เรียกจตุตถฌาน ถ้าเรียนอยนะ่างอี่ทำเรื่องเล็กชานที่ห้าอันเดียวกันถ้าเข้าถึงชานตัวนี้แล้วจิตไม่สนใจนามเพราะว่าฝึกมาแต่แรกนี่ไม่สนใจนามเนี่ยเ พ, พ่งมืออย่างเดียวนามมันทำมันจะดับลงไปมันจะเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งๆอย่างนีไม่มีความรู้สึกอะไรอันนั้นคือภูมิของอตัญทญาสัตสาภูมิภูมิของกรมลูกปักไม่ใช่นิพพานนะิพพานต้องมีจิตนะ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 จะเห็นเลยรูปที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกนนะรู้สึกได้ทันทีไม่ใช่เรามไม่ต้องเคลื่อนไหวช้านะแต่เคลื่อนเร็วแค่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรานา ม, มาทําทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหย็ดูออกทําไมทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาผ่านไปใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเหมือนคนดูละครรูป น, นามเป็นตัวละครที่เล่นไห้ดูเล่นแต่มาแล้วไปมาแล้วไป ใจสักว่ารู้สักว่าดูใจตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใจเราตั้ง ม, มั่นอยู่แต่ไม่ใช่ใจใจเขาไม่ตั้งอยู่ในมือนะใจเขาไม่ตั้งอยู่ในมือเนีย่ยปัญญาจะไม่เกิดมันคือการเพ่งเพ่งรูปหรือเขาไปตั้งอยู่ที่จิตจ้องอยู่ไป oui. มันคือการเพ่งนามไม่เกิดปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะ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 รูปนามทั้งหลายก็จะแสดงไตร ล, ลักให้ดูแสดงกันดีไม่ต้องคิดเรื่องไตร ล, ลักแสดงตลอดเวลาด้วยไม่ใช่นานๆแสดงดีหรืเพราะไตรลักเป็นคุณสมบัติที่แนบประจําอยู่กับรูปนามอยู่แล้วรู้สึกไหมทุกอย่างเกิดระดับเด็กทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับเขารู้เขา้าดูนะจุดเดียวปัญญาแจ้งใช่นหมแจ้งมิจะวางทุกอย่างไปจะทวนกระแสะเข้าหาธาตรู้หรื สิ่งที่ห่อพุ่มธาตรู้มาสว่างพิเลศที่ห่อพุ่มจะถูกแหวกออกธาดรู้แท้ๆที่ไม่ถูกอะไรปกคลุมห่อพุ่มแสดงตัวออกมาจิตใจที่พ้นจากตัณหาสิ้นเชิงพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนี่แหละถึงจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่สิ้นตัณหาคือนิพพานนิพพานคือวิราคะสิ้นตัณหานิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงแต่งถ้าสภาวะจิตมีคุณภาพ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 เมื่เรารู้แต่อารมณ์รูปนามรู้แต่อารมณ์ที่เป็นมันหัาดเราไม่สามารถรู้นิผ่านได้นเบื้องต้นรู้กายรู้ใจไปนะบางคนหัดจุดร่างตั้งต้นบางคนหัดจากกายบางคนหัดจากเวทนาบางคนหัดจากจิตเบื้องต้นหัดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ผิดแต่เมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วนี่ไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้ว รัตติเป็นอนัตตาบางทีเกิดะระลึกรู้กายบางทีเกิดขึ้นมาะระลึกรู้จิตอย่างบางคนบอกว่าดูจิตไม่รู้กายนีไ่ไม่จริงคนมารายงานหลวงพ่อบ่อยๆนะว่าเดี๋ยวนี้ถึงถนาดนอนหลับอยู่เนี่ยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดเลยไม่ใช่ไม่รู้นะปฏิบัติได้ตลอดเวลาเลยร่างกายขยับไปเยื่อเคลื่อนไหวรู้สึกทั้งนั้นจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึก ก็เห็นเลยทั้งตายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุธาตุบ้างเป็นนามธรรมบ้างเป็นนามธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้ค่อยๆเรี่ยนนะที่เกศทำอยู่ดีแล้ใจเป็นซึมนิดนึงดูอไหมเออซึมนิดนึงุมปูหลงไปแล้วนะผิดผิไปรู้ทั น, นมันเกศซึมมันไปสำไมเกศซึมมันไว้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 เรีเห็นความจริงแล้วปล่อยวางได้แต่เริ่มต้นมาบางคนก็เผลอไปใจลอยไปมัวแต่คิดขนาดที่หลงไปอยู่ในโลกของพัญญัติในโลกของความคิดรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยมันจะลืมกายลืมใจอย่างเอหรืมกายลืมใจขณะจิตเนี้ยนะลืมกายลืมใจอีกอารหนึ่งก็คือการเพ่งกายเพ่งใจพอกําหนดลงไปเพ่งลงไปกําหนดนี่ตัวดีเลยนะในตาําราในธรรมปัฏฐานในอะไรนี้สอนว่าไม่ให้กําหนดนะ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 อาู้สุนเกิดต้องดับทันทีูุสุนที่ยังไม่เกิดจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเหตุใสให้เกิดสติคือการที่จิตจำสภาวะได้นั่นหน้าที่ต้องหัดรู้จักสภาวะในต้นทางการปฏิบัติหัดรู้สภาวะไปรูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ใช่ไปทำให้นิ่งทำให้นิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูหัดรู้จักสภาวะจนั่สติโดยจริงเกิด สติตัวจริงเนี่ยจะเป็นความระรึกได้ไม่ใช่การกําหนดมีคำพี่วันหนึ่งอาจารย์ประถามหาสติปัฏฐานทสอนีสติเนี่ยถ้าเอาไปกําหนดรูปนามนะสติถ้ากําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เนี่จะเกิดทุกข์ทุกขันธีนะอะไรทําให้เอาสติไปกําหนดตันหาตันหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามคือตัวสมุทัยทาไมเราต้องไปกําหนดรูปนามเราอยากนะ เราอยากรู้อยากดีอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานความอยากมันนาหน้าไปนั้นการที่เราจงใจกําหนดเนี่ยจิตเจือด้วยโลภะการกําหนดนั้นคือตัวโลภะเจตนาเ น, น้สติตัวจริงจะไม่เกิดเลยกสามใดที่ยังจงใจกําหนดอยู่เพราะโลภะเกิดอยู่สติจะเกิดร่วมกับอภุสลไม่ได้ต้อเกิดคนลักษณะ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 เดี๋ยวส่อเดี๋ยวให้ถามนะจริงๆธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะถ้าเรียนได้ด้วยการฟังใครฟังมากๆคงบรรู้ไปแล้วละ่ะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเพราะการคิดไม่ใช่ของจริงโยมสังเกตไม้มเวลาเราฟังนะเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปสลับกันตรู้ออไหมตรงนี้ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดรู้ไหมตรงที่รู้สึกว่าเข้าใจอคือตรงที่คิด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 คนชั่วๆ ว, วิ่งหาอารมณ์คนทั่วๆไปวิ่งหาอารมณ์เพิดเพลินก็เพื่อให้ตัวเรามีความสุขนักปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพื่อจะหาความสุขเหมือนกันหาความสุขความสงบความดีอยากได้เหมือนกันเพื่อว่าตัวเราจะได้รับการตอบสนองอีกพวกหนึ่งฝึกต่อไปเรื่อยๆนะฝึกเข้าอาเนกชาเห็นว่าปราบใดที่ยังตรดทบอารมณ์อยู่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 จิตมีความสงสัยทราบไหมรู้โลกปัจจุบันโลกที่รักขณะที่ลักขณะนะใจสงสัยขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมรู้เรื่อยๆความสงสัยเกิดแล้วก็ดับอย่าหลงกล น, นะสงสัยล้วไปคิดหาคําตอบเนีย่ยหลงกล น, นะเราต้องการเห็นว่าสภาวะทั้งปวงเกิดแล้วดับไม่ใช่ต้องการตอบสนองกิเลสนะสงสัยขึ้นมาคิดใหญ่เลยรักขึ้นมาวิ่งตามเข้าไปเลยเหลียดขึ้นมาไล่ตีไล่ใส่เข นี่ตามกิเลสเหมือนๆกันเลยค่อยๆหัดรู้นะพวกเรายิ่งถ้าฝึกมากๆส่วนมากติดสมถะติดการเพ่งใจังนิ่งใจคื่อๆทั้งวันเลยนะจิตใจมันคิดธรรมดาไปเบอร์เจ็ดสิบเก้าทำอะไรอยู่อือรู้สึกไหมน้อมใจเข้าไปให้มันซึมอันนี้แหละลรกแต่งอีกแบบหนึง่งค่อยๆฟังนะ